เหตการบ้านเมืองตอนนี้มันคํามองให้ดีมันก็เป็นกระจกสะท้ อ, อนหรืออาจจะยิ่งกว่านั้นคือมันเป็นเรื่อนขยายถึงความรู้สึกไม่คิดหรือว่ามุมมองของผู้คน ได้เป็นอย่างดีเลยนี่เพราะในเรื่องของการคือเอาธรรมะหรือว่าอัตตานะเป็นเป็นใจอันนี้ธรรมะอัตตานันก็เป็น เป็นสิ่งที่เหมือนกันอยู่กับคนละคนละเส้นคนละแดงอันนีถ้ถ้ามองแบบทั่วๆไปนะก็เป็นใคคนละเส้นคนละแดงแลวมันก็ทำให้เกิดพฤติกรรมซึ่งแตกต่างกันได้ ที่รอบนี้ก็มันก็มีการแบ่งข้างออกเป็นสองฝ่ายชัดเจนที่เรื่อยๆแล้วดูฝ่ายสนับสนุนกัฝ่ายคัดค้านในรัฐมนตรีฝ่ายที่สนับสนุนนายรัฐมนตรี ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านหรือว่าชนชั้นกลางระดับล่างชาวนาชาวไร่พ่อค้าแม่ค้าชาวสลัมพวกที่ยินมโวทัต์ไซัดซี่พวกอาชากินคำ หรือว่าถ้าผู้แบบรุงรุ่งคือที่อยู่ในเศรษฐกิจแบบนอกระบบก็ถ้าถ า, ถามความเห็นเข า, าทำไมเขาสนับสนุนทักสินส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าเพราะว่า โครงการ30บาทได้พอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากรัฐ บ, บาลเช่นเงเินเงินกู้แเกษตรเงือทอนบ้านเงือทอนเรื่องก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตัวที่เพื่ได้รับจากรัฐบาลหรือจากนายรัฐมนตรีหรือมึงว่าก็จะไม่สนใจเรื่อง ความความถูกต <ersch> ้องในทางจรียธรรมของนิรันตีคุปปราอนี้ดูทาไม่สนใจเมื่อจะรู้ได้ซ้ำว่าเออค้อนนอรันติก็ก็คงต้องโกงบ้างเอราะชันก็แต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาจะสนใจมากเพราะว่า ก็พอใจกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากนายรัตมันต์เคนนี้ถ้าจะเอาเรื่องอัตตากับธรรมะเข้ามาจำก็เห็นได้ชัดว่าโดยชาวพุทธนับกบรญที่เขาได้ประโยชน์ส่วนตัวหรือพุ่ธคือเอาซื้อตนเป็นใหญ่ในีิยมภาษา ถ้าอัตราจิตวไตคีอการจะตัดสินอะไรก็ตัดสินโดยเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นจิศตั้งเอาเอาอัตราเป็นจิศตั้งคือถ้าฉันได้ประโยชน์ฉันก็ว่าดีถ้าคนนี้ให้ประโยชน์แฉันฉันก็ว่าดีส่วนเขาจะทําดีทําช่วยไงฉันไม่สนใจถ้าฉันได้ประโยชน์ฉันก็ฉันก็สนับสนุน ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นกับกรณีทัพสิงห์เดียวก็เป็นกรรมานานสอสอที่เอางบประมาณมาให้แก่ชาว บ, บ้านสร้างถนนสร้างสะพานจนกระทั่งทำให้ตำบลจังหวัดของตัวนี้จเจริญฉันก็สนับสนุน สสหรือนายกคนนี้แหละใครก็จะหาว่าโรงบ้านโกงเมือนไงฉันไม่สนใจเพราะนั้นสอส อ, อย่างที่ได้ชื่อเป็นผู้มีทิพย์คนก็ได้รับเลือกมาอยู่เสมอั้าเราที่มีกิจสัตย์ที่ไม่ดี น, นี่ก็เป็นกรนมานานแต่ว่าตอนนี้นักเสียงที่ชัดขึ้นว่าเวลานี้นิโคนไทยส่วนใหญ่ก็กเือนประเพื่อส่วนตัวเป็นที่ตั้งมากกว่ามากกว่าที่จะคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมหรือความดีงามเราจะพูดอย่างง่ายคือว่าเอาความ ถูกใจเป็นหลับมเมาความถูกต้องใครที่ทำให้ฉันถูกใจเพราะว่าให้ประโยชน์ส่วนตัวกับฉันฉันก็เลือกฉันก็สรรเสนินส่วนเขาจะก็บรบฉันตามมืออย่างไงรก็โกงไงก็ฉันไม่สนใจฉันได้ประโยชน์ฉันก็พอใจแล้วอันนี้คือ ทางสะติของคนในปัจจุปันซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นกต่เฉพาะคนระดับล่างคนระดับบนก็เป็นอันนี้เท่าแต่ว่ายัางก็หลายคนสอยน่ในกลางที่ได้รับประโยชน์จากรัฐบาทักษสินเช่นพวที่ยังชีพด้วยการค้าหุ้นหรือว่ามีเศรฐษฐกิจปูกภายในเรื่องตลาดหุ้นก็พอใจ กำลังที่คนรู้ว่านารวันตีคนนี้เขามีการซึกซักมีการไม่ชอบมาพักคนยังไงบ้างเขาลือกันให้สักคนในวงธุรกิจพอไปคุยกับคนในเ่วงธุรกิจอย่างเมื่อที่ที่แล้วก็ไปไดไปพบคุณอยู่จมลงสี ผมจะมองสีก็อยู่ใน ว, วงธุรกิจเล็กๆแต่ว่ามีเกิดอ่ายวงตะกูที่อยู่ในวงธุรกิจระดับสูงก็ไล่ฟังเยอะไปหมดเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินก็ไม่ได้คิว่าก็จะทำกันอย่างอุกอาจกอาจเปนอย่างนั้นเรียกว่าไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, มไมเกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง กันเลยกคนชั้นกลางก็หลายจำนวนมากก็รู้แต่ว่าก็ยังสนับสนุนมาตั้งแต่แรกแล้วก็อาจจะรวมถึงในตอนนี้ก็ยังมีอยู่อันนี้ก็แสดงเห็นว่าเรื่องความ ความใส่ใจในเรื่องของความถูกต้องชอบธรรมหรือว่าธรรมไฉก็โดอจางกันไปเยอะมากเลยจะว่าไปผู้ที่คัดค้านทำสินก็ก็ จ, จะคัดค้านเพรเห็นนี้เดินกันแม้ว่าจะอ้างเรื่องความถูกต้องจรียธรรม ก็มีคนตั้งคำถามว่าทำไมถึงเพิ่งมาคัดค้านทักสินตอนที่มีเรื่องคอร์รัปชันนี้มีเรื่องไม่จ่ายภาษีทำไมถึงหาว่าเขาไม่มีความชอบทํารมในเจรจาธรรมตั้งเพราะเพการจ่ายภาษีท้า น, นที่ก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องมีราวกันมาแล้วทำไมถึงเพิ่งเมินเฉยเมื่อเกิดการ ถ้าตัดต่อยเงนถัดประกาศสงครามกับยาเสพติดคนตายเพราะกระบวนการที่มากกฎหมายห น, นึ่งสองพันสองพันห้าร้ยคนได้มภายในเวลา แ, แค่สองเดือนจะมันนี่มากเพราะว่าท้าตายเนี่ยสารต่อใช้ทัพตายมีค่ากันมาสองปีแล้วคนตายแค่พันสอง ซึ่งเดียวของคนที่ตายในสงคารามยาเสพติซึ่งมีซึ่งเป็นข่าวเป็นชู้ววละสองเดือนนะหนึ่ขณะพักตานี้เราได้ได้ฟังข่ามโหดร้ายโหดเยี่ยงได้ยินการฆ่ากันไม่เล่นแต่ละวันจะรวมแล้วกยังแค่ตายอันพั น, นองกาเสพติดฆ่าเลย2อ0พในเวลาสเดือนคนส่วนใหญ่ก็สนับสนุนสรรเสริญหรือเวลามีการใช้ ความรุนแรงกับภาคใต้คนก็ไม่ได้ว่าอะไ ร, ระพูดจากชัดไทยแล้วเมื่อสิทธิม น, นอยชนยังไงคนก็ไม่ได้ว่าอะไรหม้เนคนจันกลางแต่ว่าพอมนมีเรื่องคอร์รัปชันไม่จ่ายภาษีก็ลุกฮือขึ้นมาทันที อาจจะมองว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายก็ได้ที่ผ่านเราก็พอทนแต่พอถึงเส้นนี้ทนไม่ไหวเนื่อจะมองเนี่ยนี่คือว่าเรื่องหรือไม่ว่าดต่ยานอย่าให้มาแตะเรื่องคอล์รัปชันเดลยวที่เป็นเรื่องเป็นเงินเป็นทองจนทั้งกสนใจเรื่องเงินเรื่องทองเป็นพิเศษและจะเพิยิ่งกว่านั้นคือว่าการคอล์รัปชันนี่มันหมายถึงการ ทำให้ฉันได้ประโยชน์น้อยลงภพมางของประเทศชาติที่จะมาถึงฉันมันก็เลยล ด, ดน้อยลงไปด้วยส่วนตที่ฉันจะได้รับมันก็น้อยลงเพราะว่ากาคเขารับชั้นของพวกแกอันนี้ก็ทำหมอให้ดีนอ ก, กลาก เ, เรื่องของประโยชน์ส่วนตัวอัตราจุปไต่ เมื่อแกพอับช่นก็ทําให้ฉันได้ประโยชน์น้อยลงตอนฉันเหงาก็เลยไม่พอใจเรื่องจะรูตกันกนะคือความเมื่อไม่จ่ายภาษีนี่มันก็เกิดความอิดช้าขึ้นมาฉันจ่ายตรงเยอะตรงเยอะแต่แกไม่จ่ายจริงๆฉันก็ไม่ได้จ่ายหรอกแต่ว่าไม่รู้ทำยังไงแต่ว่าแกไม่จ่ายก็เลยเกิดอาการที่เอิดช้ารวมหมู่ ก็เลยไม่พอใจถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ก็เข้าหลักตาทีตตายอยูตเหมือนกันถือไม่ได้ทําก็ถือทำํำมาเป็นใหญ่แต่เพราะว่าเกิดจากแร ง, แรงขับแรงขับแรงขับเคลื่อนของอัตตาการที่ไม่ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าการที่อยากจะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเกิดจากความโกรธความไม่พอใจเพราะว่าอิจฉา น, นี่มันก็เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนคนตรงนี้ไม่น้อยให้ลูกขึ้นมาตอบได้แน่ว่าน่ว่าจะชูเรื่องจริยธรรมตัต่างความหมเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะชั้นล่างที่เอาประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักเหลื อ, อตาจิตวิญเป็นใหญ่แต่ว่าตนา ก, กลางที่ต้ายก็เหมือนกัน ก็มอเ น, นี่ยนก็คงจะไม่ได้แตกต่างจากกันเท่าไหร่มีคนที่คัดค้านทักสินตอนนี้ก็ก็มีเรื่องอัตตาเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะอี่ ย, ยเมื่อสักเดือที่แล้วนี้ก็มี าการเขียนบทความไม่ใช่เหมาอี้เจ๋อเจ๋อทึง่งคืนออกแสดงการพัดค้านนายกรัฐธารงแต่เดือนที่แ ล, แล้วก็ลงเว็บไซต์ก็ปรากฏว่าถูกด่าซะไม่มีดีจากพวกที่พัดค้านทักษิณเหมือ น, นกันแต่ว่าอยากจะให้มีมายกราชธาน ดากันย่งมันก็เป็นสตรอว์อะไรทนั้นที่น่าจะเป็นแนวร่วงกันมนา ก, กว่ามาฟังอาจจะทเขาวิจารณ์นี่มันก็ว่าเกียพติทั่วทวิชาการเหล่านี้มากว่าเกียดทักษ น, นีมันก็เป็นเรื่องของอัตราเต็มที่เลยเพราะว่า มันในความในของตัวมากจนกระทั่งเนเขาเป็นเป็นสัตรูโเดี๋ยวตอนนี้ก็การนี้ก็ไม่จิตาจลงไปตอนนี้ก็ดีมีการถกเถียงมีการแสดงความเห็นวิภาวิจารณ์กันมากขึ้ น, นเรื่องระหว่างสองฝ่ายที่ต่อตานรกเห็นคือ เอาเนื้อพระยาชิตามไม่เอาเนื้พระาชาามฝ่ายที่ไม่เอาก็บอกว่าต้องการรักษากฎเกณฑ์ประชาธิปไตยเอาไว้ข้อค ว, า, วาจะได้มามันก็เสียเลือดเสียเนื้อไปเยอะแนะล้วเลยเพระล่าสูดก็พิษสภาทำนินก็ก็ต่อสู้กันเพื่อให้ได้งานวุฒินคนเกิดที่มาจากการเลือกตัง้งจนกระทั่งได้ก็จะทํามันนิน ฉับปัจจุบันแต่ฝ่าที่ได้น้ตราชทานก็หลายคนก็มีคนตุผีแต่สมมนตมากมีก็ต้องการอย่างเดียวตีเพื่อจะได้เอาทัศนินออกไป ท, ที่จะให้เอาทัศนินออกไปมันก็โดยที่จะยอมสูญเสียหลักการอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงกัคือว่าเรายอม เปน็นไปปรนอมหลักการเพื่อเพื่อตัวบุคคลก็เราเคยทาภาคกันมาแล้วแต่ตอนนั้นเป็นการปน็นไปประนอมหลักการเพื่อรักษาอยู่เพื่อให้ได้ทั้งสิทธเมื่อหกห้าปีที่แล้วก็ก็ทํากันใหม่นีิธีแล้วคือว่าเออสู้คุณก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ขอให้สารรัฐมนูญ ตัดสินให้เขาพ้นผิดกันแล้วกันคนจำนวนมากก็รู้ว่าต้องซื้อสุทคุณในชื่อคนใช้ในชื่อคนขับรถแต่ก็สนับคนทักสินก็ก็ยอมยอมยอมไก่เกี่ยหลักการหรือว่ายอมทำไม่รู้ไม่เห็นเพื่อที่จะให้เขาได้รอดจากควาิทุกข์สงสา ร, สา ร, สารธรรมนู ในพศานุธรรมนูญตัดสินว่าเขาไม่ผิดเราก็ดีใ จ, จกันจังหวะนี่ก็รู้อยู่กแต่ายว่าเขาผิดอยู่แล้วแหละแต่ก็ดีใจที่ศาลตัดสินว่าไม่ผิดอันนี้ก็คือว่าเรา ย, อ, ยรอมปฏิบัติ norm หลักการเพื่อตัว บ, บุคคลแต่ตอนนี้เราก็กําลังชดใช้ชดใช้กรรมตอนนี้ก็ กลับมาใช้วิธีเดิมก็คือยอมปฏิบัติคามหลักการเพื่อเพื่อตัวบุคคลแต่ครั้นี้ไม่ใช่เพื่อรักษาเขาจะ่เกื่ขับไล่งขาไปหรือกันเรียนรู้พระราชทานมันก็ซ้ํารอยเดิมมันก็ว่าเราไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้เรียนรู้ บ, บทเรียนในคนไทยตรงนี้เราก็เรียกว่าเชื่อในตัวบุคคลนอกกันหลักการปีรที่แล้วก็อยากได้ทักษิณเพราะเห็นว่าเขาเป็นอสูนมากขาว ตอนนี้ก็อสุริมักขาวกลายเป็นซาตานไปแล้วก็อยากได้อสุริมักขาวตัวใหม่ก็คือในพระราชทาพตอนนี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้กันทั่วประเทศทำไมต้องเชียร์กันนักนะมันส่วนมันส่วนหนึ่งก็เป็นวิธีคิดที่ต้องการอสุริมักขาวเพื่อฉันจะได้ไม่ต้องทำอะไรเลย ส่วนหนึ่งก็คงแต่ท่ได้ไดชายชนะยือตอนนี้คนไหนได้ชายชนะมากได้ชายชนะไปไวให้ชายชนะนี่ก็อย่างที่พุดไปเมืม่อวานก็สาวให้ลึมมันก็เป็นเรื่องของอัตตาชายไห่ไปพูดชนะเพราะฉะ น, นั้นฉันก็ไม่สนใจหลักการละให้หลักการนี่ก็คือทรร ม, ม่เนมื เมื่อไม่สนใจหลักการคือไม่ไม่สนใจเรื่องธรรมะแล้นจะควยได้ควยฉันเป็นผู้ชนะก็แล้วกันอันนี้มันคือเรื่องที่นา่ากลัวคือว่าการที่เอาเอาตัวตนเลือกตาเป็นใหญ่มากกว่าธรรมะเนี่ยมันก็ทําให้คนเราพร้อมที่ทําทุกวิถีทางโดยไม่สนใจธรรมะหรือยไม่สนใจหลักการเป็นของพุทธเตย ถ้าใด้หน่วยพระราชทานก็ได้ก็ดีซึ่งที่จริงก็คือมันก็คือรับประหารเรับประหารเรงียบก็คือว่างดใช้รัฐมนุนควบคุมพราะามระมนุนนี่มันไม่มีมาตราไหนที่ที่รองรับการมีน่วยพระราทานมนามาตราเจ็มันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ชัดเจนขนาดนั้นเพราะตนันายก็ต้องมาจากการเลืกตั้งต้องเป็นสอ ส, อสทีั ขีดเส้นชัดเจนแต่คนที่อยากได้ใช้ชนะบางทีก็อาจจะไม่ไปก่อนนั้นคือต้องใช้วิธีรุนแรงอันนี้ก็น่ า, านกลัวยิ่งเข้าไปใหญ่คือจะให้เกิดความรุนแรงก็ได้อย่าให้มีความรุนแรงก็ต้องมีต้องมีคนเสียสละต้องก็มีคนเจ็บบ้างก็งมีคนตายบ้างคน2คนก็จําเป็นเพื่อจะให้ได้บ้านเมือง เพ่ให้ทักสินออกไปบ้านเมืองจะได้เจริญอันนี้ก็อ้างบ้านเมืองแต่ว่าลึกๆก็เพราะว่าอย่าเพื่นหนูได้ใช้ชนะไปอีหวันโดยที่ไม่ได้รู้จักรอโดยที่ไม่ได้มองว่าอย่างไรก็ก็ไปไม่รอดอยู่แล้วทักสินนี่นายจะได้พะแนนเสียงถล่มทลายที่2ก็ไปไม่รอดหมดสภาพเลยได้ได้คะานนเสียงแต่ว่า คนที่เป็นกลใจเป็นมีอเป็นม้าก็ไม่ยอมแล้วชาวบ้านถ้าสิ่งก็รู้ว่าชาวบ้านก็มีความหมายเพียงแค่หย่อนบาดแค่นั้นแหะกับเชียรเชียรเวลาปราศัยแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วคนที่จะทำให้รัฐบาลดําเนินได้ก็คือชนชั้นกลา ง, งเป็นชั้นกลางข้าราชการนักธุรกิจนักนักสืบคิม วิชาการคนนี้แหละคือคนใจที่ทำไในทักสินทํางานได้แต่ก็อย่างที่รู้กันเวลานี้คนเหล่านี้ต้องเดือดรากสิแล้วไม่เอาทักสินแล้วจะอยู่ได้อย่างไรในนี้โยบายที่เปลืองสร้างมาก็กําลังถูกดึงถูกถอนมาทีละชิ้นสองชิ้นนโยบา ย, ายาาการดูแลประชาชนยังเต็มไปเะ ไมตัดปรเจกตก็คงไปไม่รอมันจะอยู่ได้ยังไงือถ้ามองด้วยมองไปใจใจก็มองไม่เห็นว่ามันไปได้ยังไงแต่ว่าตรงนี้คนเนี่ยแนนใจร้อนหรืองนะทีไม่ได้มองด้วยซ้ำคืออกจะให้มันสำเร็จสําเร็จศึกหรือว่าลุกพลาดใหไวๆก็เลยใช้วิธีอะไรก็ได้จนไม่สนใจหลักการนะอันนี้มันคือ ความได้ของอัตตานั่อัตตาที่กำตายซึ่งเราก็เป็นกันเราก็เป็นกันทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นจิตอ่อนของมนุษยเพราะาเราเอาบางทีเราก็เอาความปูุกใจมากกว่าความถูกต้องเราใช้ความรู้สึกมากกว่าใช้เหตุผลถ้ามีมีสติมันก็ไปทั้งนั้นแหละ ไปทางอัตตาทุพตาไปทางความพอใจถูกใจไปทางความรู้สึกทั่วแหล่งเฉพาะหน้ามันจะไม่มีสติไม่มีปัญญาคอยถ่วงคอยพามันก็จะไปนั่นือนกันให้เรายัางลึกๆก็เอออยากได้โนะ้ตคลายทานกันนะหรได้จบๆสักทีแต่ว่ามองไปรเรืยยๆแล้วมันก็มองไม่เห็นว่ามันจะเกิดผลดีไปได้อย่างไร มันก็มีการแย้งกันระหว่างเหตุผลด้วความรู้สึกแต่ว่าตอนนี้ปล่อยให้ความรู้สึกมันนําไปก็คงไม่ได้เพราะว่ามันก็พลาดกันมาหลายครั้งแล้วก็ไม่น่าจะปล่อยมันพลาดอีกต้องมีบทเรียนบ้างคนเราไม่ค่อยได้สนใจบทเรียนจากประวัติศาสตร์ก็เพราะว่า สนใจแต่ความสำเร็จเฉพาะหน้าพระวัติศาร ม, มันมีให้บทเรียนมาเยอะๆแต่คนไม่สนใจเพราะว่าใช้ความรู้สึกกันมากกว่าใช้ความรู้สึกความรู้สึกมันเป็นใหญ่จะจะได้ผลเลยวายอยากจะเป็นอยากจะให้ได้ชชนะเลยวายจริงๆเพราะว่ามาันขี้เกียจเบือ่อคนไม่ไหวแล้วก็ท้วงมันมานานเหลือเกิน แต่มันตบไวๆมันเหนื่อยแล้วบางทีก็เห็นผลก็มีแค่นั้นเีเป็นเรื่องความรู้สึกเมื่อใช้เหตุผลไม่อใช้ก็เลยไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้การเปิดศก็เลยทําผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าทำผิดซ้ำล้วซ้ำเล่าก็ไม่ต่างจากคนเมาคนเมาก็รู้ว่ากินเหล้าไม่ดีกินยาเสพติดไม่ดีแต่มันก็ยังอยากจะกินมันคนมันห้ามใจไม่ได้ เราเสกตีทะเลาะกันมันนั่งเสียใจไม่ไม่ทำดีแล้วใจเดี๋ยวก็เอาอยูนี่ก็มันใช่ความรู้สึกมากกว่าสติและปัญญาอันนมันก็ น, าา น, นันกาการเราที้มันก็เรียกว่าสะท้อนหรือขยายภาพหรชัดเจนปัญหาคือเราจะเราจะวางตัวอย่างไรอันนี้ก็ต้องเลือกเลยนะ ในี้หนึ่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของการณ์เราก็เป็นส่วนเรื่องของการร่วมกันไปพัดไล่ทับเสียแงแต่ในส่วนนึงก็ต้องย้อนกลับมาดูจิตใจว่าเราจะพัดเข้าไปในอัตราที่จะตายหรือว่าจะมั่นคงในธรรมะที่จะตายจะให้อัตตาเป็นใหญ่หรือให้ธรรมะเป็นใหญ่นี่ก็เป็นเรือ่องทีนั่นก็เป็นการ ฝึกใจมาได้เหมือนกันฝึกใจท่ามกลางกระแสที่มันหรือที่มันเชี่ยวกรากหรือนะบรรยากาศที่มันร้อนแรงก็ฝึกสติได้เป็นอย่างดีก็ฝึ ก, กนในสมรภูมแบบนี้เนะี่ยมันมันมันพาด่ายดีแล้วก็มันก็เห็นตัวเองชัดเจนได้เป็นอย่างดีบางทีมันชัดเจนว่าอยู่ในอยู่ในป่าสิ อัตราเราก็จะโผล่มาโผล่มาเรื่อยๆให้มันใหเราได้เห็นตัวเองว่ามันมีสิ่งเล่าที่รุนแรงก็อัตราก็จะจัดส้องตอบชัดเจนก็ได้เรียนเดียคกันด้วแล้วก็รู้วยเราต้องฝึกเพืกันดิกเยอะต้องมีสติและมีปัญญาระดับมากเอาล่ะก็ผู้บรรทมนี้